ลำดับนี้จะได้แก้ไขในองค์แห่งมรคคำรบสองคือสัมมาสังกรปรสืบต่อไปจะเปรียบเทียบสาทกนิทานอันมีในสุตตันต์ปริยายยกมาแสดงให้แจ้งในบทสัมมาสังกปสัมมาสังกรปรนี้คือความดำริชอบในอารมณ์มีสามประการคือวิตกดำริในอารมณ์อันจะออกจากกามคุณ นั้นชื่อเนคขมมะสังกโปวิตกดำริในอารมณ์อันปราศจากผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงชื่ออพยาบาทสังกโปวิตกดำริในอารมณ์อันปราศจากเบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงนั้นชื่ออวิหิงสาสัมมาสังกโปวิตกดำริในอารมณ์ทั้งสประการนี้ ชื่อสัมมาสังกโปโนักปราดผู้มีปัญญาพึงรู้ในมหาชนกชาดกว่าเมื่อพระบรมโพปทิสัตว์เจ้าแห่งเราบังเกิดเป็นพระยามหาชนกสวยราชสมบัติเป็นมหากษัตริย์ในเมืองมิถิลานครนั้นมีพระชนมายุได้หมื่นปีสเสด็จบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีในราชสมบัตินั้นสิ้นพันปี และมีพระไทยปรารถนาจะใคร่ละราชสมบัติออกทรงพนวดบำเพ็ญเนคข ม, มะบารมีพระองค์จึงปรารพราชสมบัติทั้งปวงอันมีในเมืองมิถิลามหานครทรงพระปริวิตกว่าเมื่อไรอาตมาจะละได้ซึ่งเมืองมิถิลาอันรุ่งเรืองด้วยปราสาสตรราชเรือนหลวงและจะตุรงคเสนาประชาราชทั้งปวงนี้ได้ แต่ทรงพระดําริอยู่ชนี้สิ้นการช้านานถึงสี่เดือนได้ชื่อว่าเนกขมัสังกโปเมื่อพระองค์ทรงผนวชแล้วเสด็จไปนิป่าจึงเจริญกสินบริกรรมภาวนาก็ได้ปัญญาพินญาสมาบัติอภยปาทสังกโปโและอวิหิงสาสังกโปโก็บริบูรณ์ในการเมื่อนั้นสัมมาสังกโป อันเป็นโลกีก็มีแก่พระมหาชนกดังนี้อีกประการหนึ่งวิตกเจตสิกนี้ชื่อปกินนา迦เจตสิกวิตตกอันเกิดด้วยอกุศลจิตก็ดีวิตกอันเกิดด้วยกุศลจิตก็ดีวิตกอันเกิดด้วยอกุศ ล, จ, ดดศลจิตนั้นคือดำริในอารมณ์อันเป็นอกุศล จะใกลกระทําซึ่งกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตทั้งสามนี้ได้ชื่อว่ามิจฉาสังกโปวิตกอันเกิดด้วยกุศลจิตดำริในอารมณ์อันเป็นฝ่ายกุศลจะบําเพ็ญกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตทั้งสามนี้ได้ชื่อว่าสัมมาสังกโปดุจพระเจ้าธรร ม, มโสกราช อันได้สวยสมบัติในเมืองปาทลีบุตรนครนั้นมีอาชญาแผ่ไปในอากาศได้โยอหนึ่งอาชญาแผ่ไปในแผ่นดินก็ได้โยอหนึ่งเทพพญดาทั้งหลายย่อมเอานําพลาผลและเครื่องบริโภคทั้งปวงนั้นมาแต่ป่าหิมพานถวายเป็นนิจการเทพพญดาทั้งหลายบางองค์ก็ตักน้ํามาแต่สาอนุดาถวายวันละเจ็ดหาบเจดหาบ นกแขกเต้านั้นก็คาบเอาข้าวสาลีมาแต่ฉัดทันตสะมาถวายวันละเก้าพันเกวียนเนื้อความนี้พิสดารอยู่ในนิทานพระยาธรรมมาโศกราชนั้นคําว่านิทานตามศัพท์แปลว่าเหตุที่มาต้นเรื่องความเป็นมาแต่เดิมหรือเรื่องเดิมที่เป็นมาแต่ในภาษาไทย ความหมายได้เพี้ยนกลายเป็นว่าเรื่องที่เล่ากันมาจึงไม่ควรสับสนระหว่างความหมายทางพุทธธรรมและความหมายที่เพี้ยนไปในภาษาไทยนะครับจำเดิมแต่นั้นมาสมเด็จพระเจ้าธรรมาโศกราชนั้นก็ทรงพระดำริในที่จะบำเพ็ญทานจึงอาราธนาพระสง์เจ้าเข้าไปรับจังหันในพระราชวังเสมอวันละหกหมืนรูป และทรงพระราชดําริจะใครเห็นรูปพระพุทธเจ้าแล้วจะใคร้บูชาจึงเอาตัวพระยากาละนาคราชขึ้นมาแล้วก็ให้นิมิตอัตมาให้เหมือนรูปพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงกระทมสักการะบูชาสิ้นเจ็วันทรงพระดำริที่จะใครรู้พระสัตยธรรมที่สมเด็จพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาทั้งแปดหมพันพระธรรมขันให้สร้างพระธรรมขันแปดพัน สร้างพระเจดี8 4ดห0ืันบรรจุพระสารีริกธาตุทั้งหลายในพระนคร8 4ด0 0นพันนครให้เป็นที่ไหว้ที่บูชาแก่มหาชนทั้งปวงพระเจ้าธรรมาศกราชนั้นสร้างพระเจดีและวิหารในอโศการามแล้วก็ทรงพระดำริจะแต่งการฉลองพระเจดีและพระวิหาร 84,000 พันพร้อมกันในวิหารเดียว และเท้าเธอทรงพระดำริจะใกล้เป็นญาติในพระศาสนาอันชื่อว่าธรรมธาญาตินั้นจึงบวชพระมหินทราชกุมารและนางสังฆมิตราราชธิดาให้เป็นภิกขุและภิกุณีในพระศาสนาแล้วทรงพระดำริจะเป็นผู้อุปถัมยกย่องพระศาสนาให้ประสงค์ประทมการตัติญาสังขยาพระไตรปิฎกธรรมแล้วทรงพระราชดาริ จะเป็นอุบาสกในพระศาสนาพระองค์ก็อุตสาทรงดําริอยู่ในพระไตราสารณาคมแล้วตกแต่งพระราชสารไปถึงพระเจ้าเทวานังปิยดิตในลังกาทวีปให้ตั้งอยู่ในพระไตราสารณาคมแล้วทรงพระดําริในกิจการทั้งปวงเป็นต้นว่าให้พระมหินท่าเทระเอาพระศาสนาไปตั้งไว้ในลังกาทวีป เราให้อัญเชิญไม้พระมหาโพธิ์เอาไปปลูกไว้ในลังกาทวีปแล้วก็เชิญพระประโรมสารีริกธาตุไปบรรจุไว้ในลังกาทวีปนั้นตกว่าพระราชดำริทั้งปวงเป็นอันมากดังนี้ก็ย่อมบังเกิดแต่กรมาพระจรกุศลละจิตได้ชื่อว่าสัมมาสังกปสิ้นทั้งนั้นที่เป็นโลกิยามักมีแก่พระเจ้าธรร ม, มาโสกราชนี้ นักปราดผู้มีปัญญาพึงพิจารณาในที่พันานามานี้เถิดพระเจ้าธรรมมาโศกราชคือพระนามหนึ่งของพระเจ้าอาโศมหาราชธรรมมาโศแปลว่าอาโศผู้ทรงธรรมและอีกพระนามหนึ่งคือปริยัตทศีหรือปริยัต สำหรับหน่วยต่างๆในคมพีโบราณ น, นั้นขอให้เข้าใจว่าโดยมากแล้วเป็นํำนวนที่หมายถึงมากประมาณหนึ่งไม่ใช่จำนวนเท่านั้นจริงๆเช่นคําว่าห้าร้อยทั้ง500้อยชาติหรือ5้าร้ยคนก็อาจจะหมายถึงไม่กี่ชาติหรือไม่กี่คนก็ได้แต่หมายถึงมากประมาณหนึ่งคล้ายสํา น, นวนว่าโจร500ร้ที่ไม่ได้หมายถึงโจรห้าร้อยคนแต่หมายถึงโจรชั่วนะครับ